ร้อสอกเพราะอ okay. right? าศัยเอกราวการภพจึงบัญญัติบุคคลหนึ่งใช่ไหมปรใช่สกเพราะอ of าศัยจตุวการภพจึงบัญญัติบุคคลสี่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะอาศัยเอกรวกาลภพจึงบัญญัติบุคคลหนึ่งใช่ไหมปรใช่สกเพราะอาศัยปัญจวกาลภพ จึงบัญญัติบุคคล ห, ห, 네 Roma, หใช pues ่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในเอกะวัวคารพมีบุคคลเพียงหนึ่งใช่ไหมปรใช่สกในเจตุวัวคารพบมีบุคคลเพียงสี่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกในเอกะวัวคารพมีบุคคลเพียงหนึ่งใช่ไหมปรใช่สก ในปัญจะวการพบมีบุคคลเพียงห้าใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อ ส, สองสอกเพราะอาศัยต้นไม้จึงบัญญัติเงาไม้ฉันใดเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมป ร, รใช่สกเพราะอาศัยต้นไม้จึงบัญญัติเงาไม้แม้ต้นไม้ก็ไม่เที่ยงแม้เ ง, งาไม้ก็ไม่เที่ยงฉันใด เพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลแม้รูปก็ไม่เที่ยงแม้บุคคลก็ไม่เที่ยงฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเพราะอาศัยต้นไม้จึงบัญญัติเงาไม้ต้นไม้กับเงาไม้เป็นคนละอย่างกันฉันใดเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลรูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ร้อสบสามสกเพราะอาศัยบ้านจึงบัญญัติชาวบ้านชั้นใดเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปรใช่สกเพราะอาศัยบ้านจึงบัญญัติชาวบ้านบ้านกับชาวบ้านเป็นคนละอย่างกันชั้นใดเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลรูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันชั้นนั้นเหมือนกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ร้อสกเพราะอาศัยรัฐจึ este este งบัญญ AH. ัติพระราชาฉันใดเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปอรอใช่สกเพราะอาศัยรัฐจึงบัญญัติพระราชารัฐกับพระราชาเป็นคนละอย่างกันฉันใดเพราะอาศัยรูปจึงบัญญัติบุคคลรูปกับบุคคลเป็นคนละอย่างกันฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ร้อสิบหกตรวนไม่ใช่ผู้ถูกจำตรวนตรวนมีแก่ผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าผู้ถูกจำตรวนฉันใดรูปไม่ใช่ผู้มีรูปรูปมีแก่ผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าผู้มีรูปฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปรใช่สกตรวนไม่ใช่ผู้ถูกจำตรวนตรวนมีแก่ผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าผู้ถูกจำตรวน ตวนกับผู้ถูกจำตรวนเป็นคนละอย่างกันฉันใดรูปไม่ใช่ผู้มีรูปรูปมีแค่ผู้ใดผู้นั้นชื่อว่าผู้มีรูปรูปกับผู้มีรูปเป็นคนละอย่างฉันนั้นเหมือนกันใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยสิบกสอมีการบัญญัติบุคคลในจิตแต่ละดวงใช่ไหมปอรอใช่สอกอบุคคลย่อมเกิด แก่ตายจุติปฏิสนธิในจิตแต่ละดวงใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นท่านไม่ยอมรับว่าเป็นคนเดียวกันหรือเป็นคนละคนกันใช่ไหมปรใช่สกเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นท่านไม่ยอมรับว่าเป็นเด็กชายหรือเป็นเด็กหญิงใช่ไหมปรข้าพเจ้ายอมรับ สกท่านจงรับเนื้อหะดังต่อไปนี้เมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นหากท่านไม่ยอมรับว่าเป็นคนเดียวกันหรือเป็นคนละคนกันดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นเขาพเจ้าไม่ยอมรับว่าเป็นเด็กชายหรือเป็นเด็กหญิงท่านกล่าวคําขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่า <outez. S 1> ขเาขเาพเจ้ายอมรับว่าเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้น ข้าพเจ้าไม่ยอมรับว่าเป็นคนเดียวกันหรือเป็นคนละคนกันเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นข้าพเจ้าจึงยอมรับว่าเป็นเด็กชายหรือเป็นเด็กหญิงคำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นหากท่านยอมรับว่าเป็นเด็กชายหรือเป็นเด็กหญิงดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนเดียวกันหรือเป็นคนละคนกัน ท่านกล่าวความขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าเขาพเจ้ายอมรับว่าเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นเขาพเจ้าไม่ยอมรับว่าเป็นคนเดียวกันหรือเป็นคนละคนกันเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นเขาพเจ้าจึงยอมรับว่าเป็นเด็กชายหรือเป็นเด็กหญิงคำนั้นของท่านผิดร้อยสิบเจ็ดสกเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้น ท่านไม่ยอมรับว่าเป็นคนเดียวกันหรือเป็นคนละคนกันใช่ไหมปอรอใช่สกเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นท่านไม่ยอมรับว่าเป็นสตรีหรือเป็นบุรุษเป็นครห์หัดหรือเป็นบรรพชิตเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ใช่ไหมปอรอข้าพเจ้ายอมรับสกท่านจงรับเนี่ยคะ่ะดังต่อไปนี้หากเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นท่านไม่ยอมรับว่า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 เป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์คำนั้นของท่านผิดอันหนึ่งเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นหากท่านยอมรับว่าเป็นเทวดาหรือเป็นมนุษย์ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้นข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนเดียวกันหรือว่าเป็นคนละคนกันท่านกล่าวคำขัดแย้งใดในตอนต้นนั้นว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าเมื่อจิตดวงที่สองเกิดขึ้น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 บุคคลนั้นเห็นเห็นรูปนั้นเห็นด้วยจกักษุนั้นไม่ใช่หรือสอกอใช่ปรหาบุคคลใดเห็นเห็นรูปใดเห็นด้วยจกักษุใดบุคคลนั้นเห็นเห็นรูปนั้นเห็นด้วยจกักษุนั้นดังนั้นท่านจึงยอมรับว่าเขาพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจ ก, กัติปรมัตต์ร้อยสิบเก้าปรท่านไม่ยอมรับว่า ข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจิกะถะิปรมตัตใช่ไหมสกใช่ป ร, รบุคคลใดฟังบุคคลใดดมบุคคลใดลิ้มรสบุคคลใดถูกต้องบุคคลใดรู้รู้ธรรมารมใดรู้ด้วยมโนใดบุคคลนั้นรู้รู้ธรรมารมนั้นรู้ด้วยมโนนั้นมิใช่หรือสอกอใช่ปร หบุคคลใดรู้รู้ธรรมรมใดรู้ด้วยมโนใดบุคคลนั้นรู้รู้ธรรมรมนั้นรู้ด้วยมโนนั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจกัตธรรมะร้อยยี่สิบสกท่านอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจกัตธรรมะใช่ไหมปรใช่สกบุคคลใดไม่เห็น ไม่เห็นรูปใดไม่เห็นด้วยจักษุใดบุคคลนั้นไม่เห็นไม่เห็นรูปนั้นไม่เห็นด้วยจักษุนั้นไม่ใช่หรือปรใช่สกหาบุคคลใดไม่เห็นไม่เห็นรูปใดไม่เห็นด้วยจักษุใดบุคคลนั้นไม่เห็นไม่เห็นรูปนั้นไม่เห็นด้วยจักษุนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าข้าพเจ้าอย่างรู้บุคคลได้โดยสัจจคถภ a r a ัต สกท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจิปัฏฐะปรมัใช่ไหมปรใช่สกบุคคลใดไม่ฟังบุคคลใดไม่ดมบุคคลใดไม่ลิ้มรสบุคคลใดไม่ถูกต้องบุคคลใดไม่รู้ไม่รู้ธรรมารมใดไม่รู้ด้วยมโนใดบุคคลนั้นไม่รู้ไม่รู้ธรรมารมณ์นั้นไม่รู้ด้วยมโนนั้นใช่ไหมปรใช่สก าบุคคลใดไม่รู้ไม่รู้ธรรมารมใดไม่รู้ด้วยมโนใดบุคคลนั้นไม่รู้ไม่รู้ธรรมารมนั้นไม่รู้ด้วยมโนนั้นท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพราพเจ้ายัางรู้บุคคลได้โดยสัจกคติปรมัตต์ร้อยสิอปอรรท่านไม่ยอมรับว่าท่านยังรู้บุคคลได้โดยสัจกคตปรมัตต์ใช่ไหมสกใช่ปอร พระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำาลังปฏิสนธิทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยทิพยจักสุอันบริสุทธิเหนือมนุษย์รู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมมีอยู่จริงมิใช่หรือสอกอใช่ปอรอดังนั้น ข้าพเจ้าจึงยังรู้บุคคลได้โดยสัจจกัถฐปรมัตต์ร้อยี่สิบสองสกเพราะท่านเข้าใจว่าพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเราเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังปฏิสนธิทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิเหนือมนุษย์รู้ชัถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมจึงยอมรับว่า ข้าพเจ้าจึงยังรู้บุคคลได้โดยสัจจิกระทะ p a r a m i ใช่ไหมป ร, รใช่สอกพระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูปหรือทรงเห็นบุคคลได้ด้วยทิพะยะจักสุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ป ร, รทรงเห็นรูปสอกอรูปเป็นบุคคลรูปจุติรูปปฏิสนธิรูปเป็นไปตามกรรมใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอ พระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูปหรือทรงเห็นบุคคลได้ด้วยทิพยาจักสุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ปรทรงเห็นบุคคลสกบุคคลเป็นรูปเป็นรู ป, ปายตนะเป็นรูปธาตุเป็นสีเขียวสีเหลืองสีแดงสีขาวสิ่งที่จะรู้ได้ทางจักสุกระทบที่จักสุเมื่อสู่คลองจักสุได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกพระผู้มีพระภาคทรงเห็นรูปหรือทรงเห็นบุคคลได้ด้วยทิพยจักรสุอันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ปรทรงเห็นได้ทั้งสองอย่างสกทั้งสองอย่างเป็นรูปเป็นรูปายตนะเป็นรูปประทัดทั้งสองอย่างเป็นสีเขียวทั้งสองอย่างเป็นสีเหลืองทั้งสองอย่างเป็นสีแดงทั้งสองอย่างเป็นสีขาวทั้งสองอย่างเป็นสิ่งที่จะรู้ได้ทางจักรุ ทั้งสองอย่างกระทบที่จักสุทั้งสองอย่างมาสู่ครองจักสุทั้งสองอย่างจุติทั้งสองอย่างปฏิสนธิทั้งสองอย่างเป็นไปตามกรรมใช่ไหมอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นอุปาทาปัญญ า, านุโยคะจบ สปุริสัการานุโยคะว่าด้วยการซักถามถึงผู้กระทำร้อยสิสาปอรท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมสอกอใช่ปอรท่านยังรู้บุคคลผู้ทําผู้สั่งให้ทํากรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมสอกอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยี่ิบสี่สก ท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทําผู้สั่งให้ทํากรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรใช่สกท่านยังรู้บุคคลผู้สร้างผู้สั่งให้สร้างซึ่งบุคคลผู้ทําผู้สั่งให้ทําทั้งสองนั้นได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อี่สิห้สกท่านยังรู้บุคคลผู้สร้างผู้สั่งให้สร้าง ซึ่งบุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำนั้นได้ใช่ไหมป ร, รใช่สกการทำที่สุดทุกข์ไม่มีการตัดขาดวัตตะไม่มีอนุปาทาปริณิพานก็ไม่มีแก่บุคคลผู้บันดาลผู้สั่งให้บันดาลซึ่งบุคคลทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อสิบหกสกท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้ เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรใช่สกท่านยังรู้บุคคลได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำบุคคลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยี่สิบเจ็ดสกท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำ ผู้สั da, ่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรใช่สกท่านยังรู้นิพพานได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำนิพพานได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อย่สิบสกท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหม ปรใช่สกท่านยังรู้มหาปัทภีได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทาผู้สั่งให้ทามหาปัทภีได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยี่สิเก้ท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทาผู้สั่งให้ทากรรมดีและกรรมชั่วได้ไใช่ไหมปรใช่ สกท่านยังรู้มหาสมุทรได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำมหาสมุทรได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยสาสิสกท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรใช่สกท่านยังรู้ภูเขาสินเนรุได้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 ท่านยังรู้ไฟได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู <solely> ้สั่งให้ทำไฟได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยสามสิบสามสกท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรใช่สกท่านยังรู้ลมได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ร้อสามสิบ่สกท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทําผู้สั่งให้ทํากรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมบรใช่สกท่านยังรู้หญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทําผู้สั่งให้ทำหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้ใช่ไหมบรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 135. สหา no สกท่านยังรู nice <ki> ้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทํากรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรใช่สกกรรมดีและกรรมชั่วกับบุคคลผู้ทำผู้สั่งให้ทำกรรมดีและกรรมชั่วเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยาหกปร ท่านยังรู้วิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมสกใช่ปรท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยได้รับวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยสาสิเจกท่านยังรู้วิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรใช่ สกท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยวิปากนั้นได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยสามสิบแปดสกท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยวิปากนั้นได้ใช่ไหมปรใช่สกการทําที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีการตัดขาดวัตฏะไม่มีอนุปาทาปรินิพานก็ไม่มี แก่บุคคลผู้สเสวยซึ่งบุคคลผู้สเสวยทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยสาสิบเก้าสกท่านยังรู้วิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรใช่สกท่านยังรู้บุคคลได้เพราะเหตุนั้น จึงย่างรู้บุคคลผู้สวยบุคคลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นรออ้อยสี่สิทธิ์กท่านยังรู้วิปากของกรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้สวยวิปากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรใช่สกท่านยังรู้นิพพานได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้สวยนิพพานได้ใช่ไหม nuit? ปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยสี่สิเอ็ดสกท่านยังรู้วิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้สวยวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปอร์ใช่สกท่านยังรู้มหาปฏภียังรู้มหาสมุทรยังรู้ภูเขาสินเนรุยังรู้น้ำยังรู้ไฟยังรู้ลม ยังรู้หญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยสี่สิบสองสกท่านยังรู้วิปากของกรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้สวยวิปากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรอใช่สก วิบากของกรรมดีและกรรมชั่วกับบุคคลผู้สวยวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรไม่ควกรกล่าวอย่างนั้นร้อยสี่สิบสามปรท่านยังรู้ที่พยะสุขได้ใช่ไหมสกใช่ปรท่านยังรู้บุคคลผู้สวยทีพยะสุขได้ใช่ไหมสกไม่ควกรกล่าวอย่างนั้นร้อยสี่สิบสี่ สกท่านยังร sa ู like so you know ้ทิพยสุขได้เพราะเหตุน like ั้นจ like so like ึงยังรู้บุคคลผู้เสวยทิพยสุขได้ใช่ไหมปรใช่สกท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยทิพยสุขนั้นได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยสี่สิบห้าสกท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยบุคคลผู้เสวยทิพยสุขนั้นได้ใช่ไหม ปอรอใช่สกการทำที่สุดแห่งทุกข์ไม่มีการตัดขาดวัตฏะไม่มีอนุปาทาปรินิพพานก็ไม่มีแก่บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อสีสิหกกท่านยังรู้ที่พิยะสุขได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยที่พยะสุขได้ใช่ไหม ปรใช่สกท่านยังรู้บุคคลได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยบุคคลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยสี่ิเจ็ดสกท่านยังรู้ทิพยสุขได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยทิพยสุขได้ใช่ไหมปรใช่สกท่านยังรู้นิพพานได้เพราะเหตุนั้น จึงอย่างรู้ผู้เสวยนิพพานได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยสี่สิบแปดสกท่านอย่างรู้ทิพยะสุขได้เพราะเหตุนั้นจึงอย่างรู้บุคคลผู้เสวยทิพยะสุขได้ใช่ไหมปรใช่สกท่านยังรู้มหาปฐพียังรู้มหาสมุทรยังรู้ภูเขาสิเนรุอยังรู้น้ำอย่างรู้ไฟอยังรู้ลม อย่างรู้หญ้าไมา้และต้นไม้เจ้าป่าได้เพราะเหตุนั้นจึงอย่างรู้บุคคลผู้เสวยหญ้าไมา้และต้นไม้เจ้าป่าได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยสี่สิบเก้าสกท่านอย่างรู้ที่พยาสุกได้เพราะเหตุนั้นจึงอย่างรู้บุคคลผู้เสวยที่พยสุขได้ใช่ไหมปรใช่สก ทีพยสุขกับบุคคลผู้เสวยที่พยสุขเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 150. ร้อยห้าสิบปอรท่านยังรู้สุขอสอานานสของมนุษย์ได้ใช่ไหมสกใช่ปอรท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยสุขของมนุษย์ได้ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยห้าสิบเอ็ดสกท่านยังรู้สุขของมนุษย์ได้เพราะเหตุนั้น จึงยังรู้บุคคลผู้สวยสุขของมนุษย์ได้ใช่ไหมปรใช่สกท่านยังรู้บุคคลผู้สวยซึ่งบุคคลผู้สวยสุขนั้นได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อห้าสบสองสกท่านยังรู้บุคคลผู้สวยซึ่งบุคคลผู้สวยสุขของมนุษย์นั้นได้ใช่ไหมปรใช่สกการทําที่สุดแห่งทุกข์ไม่มี การตัดขาดวัตตะไม่มีอนุปาธาปรินิพานก็ไม่มีแก่บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อห้าสบสามก่อท่านยังรู้สุขของมนุษย์ได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยสุขของบุคคลได้ใช่ไหมปอร์ใช่สก่อท่านยังรู้บุคคลได้เพราะเหตุนั้น จึงอย่างรู้บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อห้าสิบสี่สกท่านอย่างรู้สุขของมนุษย์ได้เพราะเหตุนั้นจึงอย่างรู้บุคคลผู้เสวยสุขของมนุษย์ได้ใช่ไหมปรใช่สกท่านอย่างรู้นิพพานได้เพราะเหตุนั้นจึงอย่างรู้บุคคลผู้เสวยนิพพานได้ใช่ไหม ปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยห้าสิบห้าสกท่านยังรู้สุขของมนุษย์ได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้สวยสุขของมนุษย์ได้ใช่ไหมปอร์ใช่สกท่านยังรู้มหาปฏภียังรู้มหาสมุทรยังรู้ภูเขาสิเนรุยังรู้น้ำยังรู้ไฟยังรู้ลมยังรู้หญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้ เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อห้าสิบหกสท่านยังรู้สุขของมนุษย์ได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยสุขของมนุษย์ได้ใช่ไหมปอรอใช่สกสุขของมนุษย์กับบุคคลผู้เสวยสุขของมนุษย์เป็นคนละอย่างกันใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยห้าสิบเจ็ดปรท่านยังรู้ทุกที่มีในอบายได้ใช่ไหมสกใช่ปรท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยทุกที่มีในอบายได้ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยห้าสิบแปอสกท่านยังรู้ทุกที่มีในอบายได้ เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้ผู้เสวยทุกข์ที่มีในอบายได้ใช่ไหมปรใช่สกท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยทุก์นั้นได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อห้าสเก้กท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยทุก์นั้นได้ใช่ไหมปรใช่สกการทําที่สุดแห่งทุก์ไม่มี การตัดขาดวัตตก็ไม่มีอนุปาทาปรินิพานก็ไม่มีแก่บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยหกสิกท่านยังรู้ทุกข์ที่มีในอบายได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มีในอบายได้ใช่ไหมปรใช่สกท่านยังรู้บุคคลได้ เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้สวยบุคคลได้ใช่ไหมบรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยกสอกท่านยังรู้ทุกข์ที่มีในอบายได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้สวยทุกข์ที่มีในอบายได้ใช่ไหมบรใช่สกท่านยังรู้นิพพานได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้สวยนิพพานได้ใช่ไหม ปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อหกสสองสกท่านยังรู้ทุกที่มีในอบายได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยทุกที่มีในอบายได้ใช่ไหมปอรอใช่สกท่านยังรู้มหาปัฐพียังรู้มหาสมุทรยังรู้ภูเขาสินเนรุยังรู้น้ำยังรู้ไฟยังรู้ลม ยังรู้หญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร6อหสิบกท่านยังรู้ทุก์ที่มีในอบายได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยทุก์ที่มีในอบายได้ใช่ไหมป ร, ใ, รใช่สก ทุกที่มีในอบายกับบุคคลผู้เสวยทุกที่มีในอบายเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นรอ้อหกสิบสี่ปรท่านยังรู้ทุกที่มีในนรกได้ใช่ไหมสกใช่ปรท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มีในนรกได้ใช่ไหมสกไม่วครวกนนรกล่าวอย่างนั<อ>้นสก ท่านยังรู้ทุก์ที่มีในนรกได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้เสวยทุกที่มีในนรกได้ใช่ไหมปรใช่สกท่านยังร <t dinner benefit> ู้บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยทุกนั้นได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 165. หสหกท่านยังรู้บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยทุกนั้นได้ใช่ไหม ปอรอใช่สกการทำที่สุดทุก์ไม่มีการตัดขาดวัตตะไม่มีอนุปาทาปรินิพานก็ไม่มีแก่บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยทั้งสองชั้นดังกล่าวมันนั้นใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร6 6ยกสิกท่านยังรู้ทุกที่มีในนรกได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้ผู้เสวยทุกที่มีในนรกได้ใช่ไหม ปรใช่สกท่านยังรู้บุคคลได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้ผู้สวยบุคคลได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร67ยกสกท่านยังรู้ทุก์ที่มีในนรกได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้สวยทุกข์ที่มีนในนรกได้ใช่ไหมปรใช่สกท่านยังรู้นิพพานได้ เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้สวยนิพพานได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยหกสิกท่านยังรู้ทุกที่มีในนรกได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้สวยทุกที่มีในนรกได้ใช่ไหมปรใช่สกท่านยังรู้มห ah าปฐพียังรู้มห ah าสมุทรยังรู้ภูเขาสิเนรุยังรู้น้ำ อย่างรู i i, mm ้ไฟยังรู้ลมยังรู้หญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้เพราะเหตุนั้นจึงอย่างรู้บุคคลผู้เสวยหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าได้ใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยหสิบเก้าสกท่านยังรู้ทุกข์ที่มีในนรกได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้สวยทุกข์ที่มีในนรกได้ใช่ไหมปอรใช่ สกทุกที่มีในนรกกับบุคคลผู้เสวยทุกข์ที่มีในนรกเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 170. ร้อยเจ็ดสิบสกท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทาผู้สั่งให้ทำผู้เสวยวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปอรอใช่สก บุคคลคนเดียวกันทั้งธรรมและเสวยใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยเจ็ดสิบเอ็ดสกบุคคลคนเดียวกันทั้งธรรมและเสวยใช่ไหมปรใช่สกสุขและทุกมีตนเองเป็นตัวการใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยเจ็ดสิบสองสกท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้ เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทําผู้สั่งให้ทําผู้สวยวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลคนละคนกันทั้งทําและสวยใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยเจ็สิบสามสกบุคคลคนละคนกันทั้งทําและสวยใช่ไหมปรใช่สก สุขและทุกข์มีผู้อื่นเป็นตัวการใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อเจ็สิบสี่สกท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทําผู้สั่งให้ทําผู้เสวยวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลทั้งที่เป็นคนเดียวกันและคนละคนกันทั้งทําและเสวยใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยเจ็ดสิบห้าสกบุคคล ท, ทั้งที่เป็นคนเดียวกันและคนละคนกันทั้งธรรมและสวยใช่ไหมปรใช่สกสุขและทุกข์มีทั้งตนเองเป็นตัวการและผู้อื่นเป็นตัวการใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยเจ็ดสิบหกสกท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้น จึงอย่างรู้บุคคลผู้ทาผู้สั่งให้ทาผู้เสวยวิบากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลจะว่าเป็นคนเดียวกันก็ไม่ใช่จะว่าเป็นคนละคนกันก็ไม่ใช่ทั้งทาและเสวยใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยเจ็ดสิบเจดสกบุคคลจะว่าเป็นคนเดียวกันก็ไม่ใช่จะว่าเป็นคนละคนกันก็ไม่ใช่ ทั้งธรรมและสวยใช่ไหมปอรอใช่สกสุขและทุกเกิดขึ้นเองจะว่ามีตนเองเป็นตัวการก็ไม่ใช่จะว่ามีผู้อื่นเป็นตัวการก็ม่ใช่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยเจ็ดสิบปดสกท่านยังรู้กรรมดีและกรรมชั่วได้เพราะเหตุนั้นจึงยังรู้บุคคลผู้ทําผู้สั่งให้ทํา ผู้เสวยวิปากของกรรมดีและกรรมชั่วได้ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลคนเดียวกันทั้งธรรมและเสวยบุคคลคนละคนกันทั้งธรรมและเสวยบุคคลทั้งที่เป็นคนเดียวกันและคนละคนกันทั้งธรรมและเสวยบุคคลจะว่าเป็นคนเดียวกันก็ไม่ใช่จะว่าเป็นคนละคนกันก็ไม่ใช่ทั้งธรรมและเสวยใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 สุขและทุกข์ทั้งมีตนเองและผู้อื่นเป็นตัวการสุขและทุกข์เกิดขึ้นเองจะว่ามีตนเองเป็นตัวการก็ไม่ใช่จะว่ามีผู้อื่นเป็นตัวกลารก็ไม่ใช่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 180, รอ้อแปดสิบปรกรรมมีอยู่ใช่ไหมสอกอใช่ปรบุคคลผู้ทำกรรมมีอยู่ใช่ไหม על? สอกอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ร้อแปดสิบเอ็ดสกกรรมมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ทํากรรมจึงมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้ทํากรรมนั้นมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อแปดสิบสองสกบุคคลผู้ทํากรรมนั้นมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกการทําที่สุดทุกไม่มี การตัดขาดวัตตะไม่มีอนุปาทาปรินิพานก็ไม่มีแก่บุคคลผู้ทำซึ่งบุคคลผู้ทำกรรมทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อแปดสิบสามอกรกรรมมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ทำกรรมจึงมีอยู่ใช่ไหมปอรใช่สอกรบุคคลมีอยู่ใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ร้อดสิบสี่สกกรรมมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ทำกรรมจึงมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกนิพพานมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ทำนิพพานจึงมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยแปดสิบห้าสกกรรมมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ทำกรรมจึงมีอยู่ใช่ไหมปรใช่ สกมหาปัฏภีมีอยู่มหาสมุทรภูเขาเซนีรุน้ำไฟลมหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่ามีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ทำหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าจึงมีอยู่ใช่ไหมปอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยแปสิบหกสกกรรมมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้ทำกรรมจึงมีอยู่ใช่ไหม ปอรอใช่สกกรรมกับบุคคลผู้ทํากรรมเป็นคนละอย่างกันใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น 7, อรอ้อยแปดสบเจดปรวิบากมีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปอรอบุคคลผู้สวยวิบากมีอยู่ใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยแปดปดสกวิบากมีอยู่เพราะเหตุนั้น บุคคลผู้เสวยวิปากจึงมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกบุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยวิปากนั้นมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยแปดสิบเก้าสกบุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยวิปากนั้นมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกการทําที่สุดทุกข์ไม่มีการตัดขาดวัตะไม่มี อนุปาธาปรินิพานก็ไม่มีแต่บุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลผู้เสวยวิบากทั้งสองชั้นดังกล่าวมานั้นใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิบากมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เสวยวิบากจึงมีอยู่ใช่ไหมปรอใช่สกบุคคลมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เสวยซึ่งบุคคลจึงมีอยู่ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยเก้าสิบสกวิบากมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เสวยวิบากจึงมีอยู่ใช่ไหมปอร์ใช่สกนิพพานมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เสวยนิพพานจึงมีอยู่ใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อเกสบอดสกวิบากมีอยู่เพราะเหตุนั้น บุคคลผู้เสวยวิปากจึงมีอยู่ใช่ไหมป ร, รใช่สกมหาปฏภีมีอยู่มหาสมุทรภูเขาเสินเนรุน้ำไฟลมหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่ามีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เสวยหญ้าไม้และต้นไม้เจ้าป่าจึงมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นร้อยเก้าสิบสองสก วิบากมีอยู่เพราะเหตุนั้นบุคคลผู้เสวยวิบากจึงมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สกวิบากเป็นอย่างหนึ่งบุคคลผู้เสวยวิบากก็เป็นอย่างหนึ่งใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นย่อกรรยานวักที่หนึ่งจบ